จนได้ตรัสรู้นะบัพเพิบารมีสิบอุปปา ร, ปรมีสิบปรามทัปารมีสิบมหาบริจาคห้าแล้วก็ประเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็มาเกิดในพระคันพระพุทธมารดาอยู่ในครันครบสิบเดือนก็ประสูตรเนี่ยนะเมื่อประสูตรมาแล้วพระองค์กนะ็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการ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 หลายพันปีก็คือพระองค์นี้เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณ8 0ดหมนปีในสมัยนั้นเรื่องราวจะเกิดขึ้นทีหนึ่งก็ต้องเป็นเป็นพันปีไปแล้วนั่นแหละพระวิปสัสสีราชคุ ม, มานก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเตรียมยานที่ดีๆเราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด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 สเสด็จพร ะ, ะสเสด็จประาพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมารขณะเสด็จประาพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นชายชรามีซี่โครงคดเหมือนกรอนหลังกองอถือไม้เท้าเดินงกเ ง, งื่อนกระสับกระส่ายหมดความเป็นหนุ่มแน่นครั้นทอดพระเนตรแล้วก็รับสั่งถามนายสารถีว่า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 ในอัธกถาหน้า130กล่าวว่าทิสวาความว่าพระกุมารนั้นแวดล้อมไปด้วยหมู่พลประมาณเกึ่งโยน์ได้จัดอารักขาเป็นอย่างดีสเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้นอันพรมชั้นสุดทาวาสและพรมผู้เป็นขีณาศพแสดงปรากฏข้างหน้านะคือเทวทูตอันนี้เนี่ยไม่ใช่เทวทูตที่เป็นมนุษย์แต่หมายถึงพรมชั้นสุดทาวาส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 จิงอยู่พรมทั้งหลายได้แสดงบุรุษนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทของพระโพธิสัตว์และเพื่อให้เกิดการสนทนากับสารถีพระกุมารคือพระราชโอรสก็ถามว่าคนเนี่ยเป็นใครสารถีก็บอกว่าคนเนี้ยเป็นคนแก่พระเจ้าค่าที่ที่กล่าวว่าอย่างงี้พ่อใหญเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นบุรุษเห็นปานนี้มาก่อนเลยคือคือว่าร่างกายจะสุดโทมขนาดนี้เนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระราชกุมาพรพอเห็นแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนคนอื่นร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะคนอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ขอเดชะนี่แลเรียกว่าคนชรานายสารธิผูหายนี่หรือเรียกว่าคนชราค น, น, นชราก็หมายถึงชำรุดเ่ยนะหมายถึงเสื่อมโทรมเนี่ยแต่ละส่วนก็เสื่อมไปเรื่อย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 ก็พระองค์ก็บอกกับนายสารธีผู้ว่านายสารธีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนอั น, นายการที่จะมาเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินวันนี้พอแล้วเธอจงนําเรากลับสู่วังจากสวนนี้เถอะกลับบ้านกลับบ้านนั่นน่ะนะนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็นําพระองค์เนี่ยเสด็จกลับไปอย่างภายในพระบุรีจากพระอุทยานนั้นๆ น, น, นะนะไปเที่ยวที่ไหนก็กลับเข้าวังตามเดิม ดูกานพิสูจทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีกุมารพอถึงวางแลว้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระทยัยเรียกว่าเครียดเลยนะพอฟังแล้วก็สดโทมรดเลยเสีย ใ, ใจมากเราก็จะต้องแก่อย่างนี้หรือก็เลยคิดอีกว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจท่านสาวไปหาได้เลยเนวะ่านะนะนะความชราเหล่านี้เนี่ยนะ ชราเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากความเกิดนี่ความเกิดนี่มันน่าขยะขยั้งน่ารังเกียจจริงๆเพราะว่าธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จะปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วนะที่นะว่าชรากับมรณะเนี่ยมันเป็นที่สุดของภพชาติแต่และภพชาติมันความชราเหล่านี้มาจากความเกิด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 ะไม่ร้องรำทำเพลงไม่ฟังเพลงแล้วบทว่ายตระหิดนามะความว่าเมื่อชาติเมื่อมีชาติชราย่อมปรากฏจงตาหนิจงเกลียดชังชาติคือความเกิดชาติเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเพราะเหตุนั้นพระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุดถอนลูกศรลูกแรกแทงพระไทยฉะนั้นเนี่ยนะอ๋อไอ้ที่ชราเนี่ยมาเกิดจากความเกิดนี่แหละถ้าไม่เกิดจะชราแบบนี้หรือ ก็รู้สึกว่าสาวไปหาเหตุเลยนะเหตุแห่งความชราก็คือความเกิดพันท่ารังเกียจชรารังเกียจความไม่งามยามชราก็ต้องรังเกียจตัวความเกิดนั่นแหละทีนี้ฝ่ายผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้ลูกครองราชนะดูกอนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพันธุมะรับสั่งสั่งหานายสารถีแล้วก็มาตรัสถามว่า สารธีผู้สหายพระราชกุมารได้อภิรม์ในภูมิภาคแห่งสวนแหลหรือไปเที่ยวสวนบ้างไหมอย่างนั้นนะนายสารธีก็บอกว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ได้ทรงอภิรม์อยู่ในภูมิภาคแห่งพระราชอุทยานขอเดชะพระราชกุมารไม่ได้ทรงพอพระทัยในภูมิภาคแห่งพระอุทยานดังนี้คือ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 นายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารเนี่ยขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานก็ได้ทอดพระเนตรชายชราที่มีสี่โครงคตเหมือนกรอนแะสี่โครงเนี่ยมันโคตรนะเคยเห็นคนพร้อมกร่องเลยนะมันโง่มันโค้งไปหมดเลยแหละหลังก็งอถือไม้เท้าเดินงกเงิ่นเงื่อนกระสับกระสายหมดความหนุ่มหมดความแน่นไม่มีความหนุ่มแน่นประกาศที่เรียกว่าชายผู้มีพลังอะไรเลย สังขารก็จะถอดไปไม่รอดวังงั้นนะกระเดินกระสับกระสายเต็มทีพระโพธิสัตว์พอได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็รับสั่งถามข้าพระพุทธเจ้าว่านายสารถีผู้สหายก็ชายผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้แม้ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นแม้ร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นข้าพระพุทธเจ้าก็กลับทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนชรา พระองค์ก็ได้ตรัสถามย้ำว่านายสารถีผู้สหายนี่หรือเรียกว่าคนชราค่ะพระบาทก็กราบทูลว่าขอเดชะนี่แลเรียกว่าคนชราบัดนี้เขาจัเพึงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพระราชกมุมารก็ถามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้หรือ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 เข้าวังจากพระราชธทยานนั้นขอเดชะพระราชกมุมารนั่นและเสด็จถึงวังแล้วทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยปรนั้นเน่เสียใจมากคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าขึ้นเชื่อว่าความเกิดเป็นของหนารังเกียจแสดงว่าบอกเรียแกบบแบบว่าอาจจะพูดพรำๆอยู่ในปากเรื่อ ย, อยนะนายนายสารธีจะรู้ได้ยังไงใช่ก็รู้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 ดูภายนอกนี่ไม่ต่างจากหลานเลยแต่ถ้าหาว่ามีกิริยาใดอันใดอันหนึ่งเข้าก็จะรู้เลยว่านี่คนชราวางั้นมันผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะก็จะแก่อย่างนี้แล้วองไรเพราะถ้าจะเกลียดความแก่ก็ต้องเกลียดความเกิดเพราะความเกิดเป็นสาเหตุแห่งความแก่